เมื่อกี้ตอนเดินจากกุฏนะิมาที่นี่ลกลางทางก็เห็นงูเหลือมอยู่ข้างทางมันนิ่งนะมันนิ่งเหมือนกับว่าวกำลังหลับอยู่ แต่ดูแล้วนี่มันอยู่ในอาการซุ่มมากกว่าเพราะว่าตัวมันก็อยู่ข้างทางนะแต่ว่าหัวมันชี้มาตรงทางเหมือนกับว่ามันกำลังรอ รอให้เหยื่อเดินผ่านเข้ามาดูคอมันก็หมืนกัว่ามันอยู่ในท่าที่เตรียมฉกหัวก็อยู่ในมุมนะ90องศานะกับทางแสดงว่ามัน อยู่ในภาวะที่เตรียมพร้อมถึงแมวตัวมันนิ่งแต่มันไม่ได้หลับมันเตรียมพร้อมเดา ว, ว่าถ้าเกิดพวกแมวหมาผ่านมามันก็จะพุ่งหัวเข้าไปทั้งตัวเลย กัดกินเป็นเหยื่ อ, อสัตว์นี่มันก็น่าศึกษาเวลามันจะทำหมากินมันจะนิ่งแต่มันก็มีความตื่นตัวเต็มที่ ถ้มันก็กบเนี่ยกรบนี่เวลามันเวลากลางค่ำกบางคืนเดินผ่านเห็นมันเหมือนกับว่ามันกำลังหลับว่ามันนิ่งไม่ค ย, ยับข ย, ยอนแต่ที่จริงมันไม่ได้หลับเลยนะมันมีอาการตื่นตัวเต็มที่ เต็มพร้อมมีแมลงผ่านมาเมื่อไรมันก็ใช้ลิ้นเนี่ยะตะวัดอย่างรวดเร็วถ้าเป็นค น, นถ้าอยู่อาการนิ่งแบบนี้เราก็คิดว่าหลับ ใจของคนเรานี้ถ้าหากว่าเป็นอย่างกบอย่างงูได้มันก็ดีเหมือนกันนะก็คือว่าแม่จะนิ่งแต่ก็ไม่ได้หลับมีความตื่นตัวมีความรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเวลา อาการของผู้ที่มีสติตืต่นตัวก็คงคล้ายแบบนั้นแหละจิตก็นิ่งอยู่กับปัจจุบันแต่ถ้าเกิดว่าใจกับเพื่อมขึ้นมาก็รู้ทันทันที มีความนึกคิดผุดขึ้นมาในใจนะก็รูนะ้มีสติรู้ทันท่วงทีแล้วก็พาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบัน ไม่ปล่อยให้จิตนี่ไม่ปล่อยให้ความคิดมันลากลูกถูกลางจิตไปหลงเข้าไปในความคิดนะกว่าจะรู้ตัวก็คิดไปรู้ไปแล้วไม่รู้เท่าไหร่นะสติของเรานี่นะมันต้องไวภนะาษาที่เรียกว่า แค่มีอาการกระดิกขึ้นมาในใจนะเพราะว่าความคิดและอารมณ์นะเข้ามาครอบงำก็รู้ทันสัตว์นี่มันอย่างพวกงูพวกกบนี่กลางค่ากบางคืน ใครๆหลับแต่มันไม่หลับด้วยนะมันตื่นมันเป็นช่วงเวลาที่มันเตรียมพร้อมเต็มที่ถ้าคนเราแลการข้างคืนเราก็ไม่ได้หลับหลายไปด้วยแต่ว่าตื่น อย่างตรงนี้เนี่ยในรอบตัวเราจะมืดนะแต่จิตเราตื่นมันก็มันก็ว่าใจเรานี่มีสิ่งที่ปกป้องคุ้มครอง ร่างกายคนเรามันก็มีมีจังหวะที่ตื่นแล้วก็หลับสลับกันไปกลางคืนก็หลับกลางวันก็ตื่นนัเวิยศสัร์กพว่ามันมีสารอยู่สองตัวนะที่ มีที่พลต่อการหลับและการตื่นของเราตอนรุ่งเช้านะมันจะมีสารตัวหนึ่งที่ทำให้ตื่นขึ้นมาคืราอราออเรกซีนออเรกซีนเนี่ยตอนเช้ามันก็จะมีมากนะ มีการหลั่งเข้าออกมาหลังเข้ามาในร่างกายส่วนสารตัวที่หลับเนี่ยเรียกว่าอะดีโนซีนมันก็จะค่อยๆอ่อนลงแต่พอตกเย็นในตัวอะอดีโนซีนก็ค่อยลดลงลดต่ําลงส่วนอะดีโนซีนก็ค่อยขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็สูงมากๆตอนสี่ห้ทุมเนี่ย อันนั้นคือเหตุผลว่าทำไมพอถึงช่วงนั้นเราจะง่วงมากแล้วก็จะหลับไปแต่พอเช้ามืดนะเริ่มจะสว่างลุ่มสางออร์เอซีนก็เพิ่มขึ้นมาอะดีโนซีนก็ลดต่ำลงเราก็เลยตื่นอันนี้เรียกว่ามันมี ในร่างกายเรามีสารหลับกับสารตื่นเรียกง่ายๆใจเราก็เหมือนกันนะใจเราก็มีภาวะที่สลับกันระหว่างหลงกับรู้เพียงแต่ว่ า, าความหลงนี่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลา ไม่ใช่ว่าไม่เหมือนร่างกายร่างการที่ถะเช้ามันก็ตื่นกลางคืนมันก็ง่วงแล้วก็หลับมันมีเวลาของมันตื่นกับหลับที่มันสลับกันไปเป็นเวลาแต่ตัวหลงกับตัวรู้นี่มันมันไม่ได้ทำงานเป็นเวลาแม้จะสว่าง ก็หลงได้นะไม่ใช่ว่าเราจะหลงเฉพาะเวลากลางคืนไนอะตอนที่เราหลับเนี่ยเราก็หลงเลยนะเวลาร่างกายหลับเนี่ยใจมันก็หลงมันก็ฝันฟุ้งเลยไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้แปลว่าพอร่างกายตื่นแล้วนะใจมันจะหายหลงนะมันก็ยังหลงอยู่ แลวอาจะหลงทั้งวันเลยก็ได้นะอย่างที่เขาเรียกว่ากลางคืนฝันนะกลางวันก็ฟุง้งให้ความฟุงฟ้งนะฟุ้งซ่านก็เป็นเกิดจากความหลงนะใจมันก็คิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆไม่ได้ว่าความคิดมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราตื่นเท่านั้นนะแม้เราหลับหรือแม้เราหลงนะมันก็ยัง ใจมันก็ฟุ้งไปได้คงคล้ายๆกับคนที่หลับแต่ร่างกายบางทีมันก็เดินไปไหนมาไหนได้เรียกว่าละเมอคนละเมอนี่เขาหลับอยู่นะก็ไม่ได้ตื่นแต่ว่าก็สามารถที่จะเดินเปิดประตูเด็กนี่นะเวลาละเมอนี่ก็สามารถจะเดิน ออกจากห้องตัวเองเข้าไปในห้องพ่อแม่ได้หรือว่าเดินขึ้นลงบันไดได้ท่าที่ร่างกายมันทำงั้นได้ไม่ใช่ว่ามันตื่นนี่อยู่ในภาวะหลับคนเราแม้ว่าจะเดินเหินไปไหนมาไหนขับรถขับลา มันก็ไม่ได้แปลว่ามีความรู้ตัวนะอาจจะอยู่ในภาวะที่หลงคล้ายๆกับละเมอเหมือนกันแต่ว่ามันดีกว่าละเมอหน่อยนะก็คือว่าตาเปิดหูได้ยินแล้วก็ทำงานทำการอะไรได้บ้างอันนั้นเพราะว่ามันไม่ได้หลงตลอดมันก็รูนะ้รู้เป็นพักๆ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วนี่เราหลงมากก็รู้นะแม้แต่เวลากัางวันก็ตามอย่างเขามีการพบว่าคนเรานี่เวลาทำงานเนี่ยทำงานเจ็ดชั่วโมงครึ่งไอ้ทำงานจริงๆะนะมันแค่ชั่วโมงครึ่งนั่นแหละก็คือประมาณยนนะที่ ที่เราทำงานด้วยความรู้ตัวอีกแปอร์เซใจมันลอยฝันกลางวันทำงานอยู่ก็จริงนั่งทำงานอยู่จริงจริงแต่ว่าใจมันไม่ได้ทำหรอกใจมันไปไหนก็ไม่รู้ลอยไปลอยมาคิดโน่นคิดนี่ไหลายไปดีต บ, บัางลอยไปนาคตบัางส่งเจอไปนอกตัวปูงแต่งสรรพัด 8ปสิบเอร์ซ็นะของวันหนึ่งวันหนึ่งอันนี้ไม่นับกลางคื น, นกลางคืนนี่ก็หลับหลับนี่ก็หลงเข้าไปเต็มที่เลยหลงเข้าไปร้อยเปอร์ซนเลยไอ้ส่วนตอนที่ตื่นนี่ก็แค่รู้ตัวเพียงยี่สิบเปอร์เซ็นไอ้ตอนที่ไม่รู้ตัวนี่มันก็ มันก็เสี่ยงเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเราขับรถในขาที่ใจเราลอยหรือว่าเสียบปลั๊กไฟขาที่ลอยใจลอยเดินลงบันไดใจฟุ้งเนี่ยมันก็จจะเกิดอุบัติเหตุอันตรายนี่ขนาดอยู่คนเดียวนะคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับใคร ยิ่งถ้าเกี่ยวขอ้อผู้คนมีคนมามาพูดมาจาพูดไม่ถูกหูอันนี้มก็ยิ่งหลงงายเข้าไปใหญ่เพราะว่าพอคําพูดไม่ถูกหูขัดอกขัดใจมันก็เกิดความไม่พอใจเกิดความหงุดหงิดเกิดความโกรธไอความโกรธนี่มันทำให้หลงเข้าไปเต็มที่เลย อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนะมันยิ่งกว่าความคิดปรุงแต่งนะมันสามารถจะครอบงาจิตใจได้ได้เต็มร้อยเลยแลตอนนั้นเรียกว่าลืมตัวนะโกรธก็ดีเกลียดก็ดีเศร้าก็ดนะีพอมันเกิดขึ้นก็ลืมตัวสิ่งที่พูดสิ่งที่ทำ รวมทั้งความคิดด้วยมันก็ออกนอกรูกนอกทางแล้วก็สามารถจะเป็นโทษเป็นอันตรายกับตัวเองได้ที่จริงถึงไม้ไม่ทันพูดไม่ทันทำเลยเพียงแค่โกรธแค่นี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วอาจทำให้เส้นเลือดในสมองแตกหรือว่าอย่างต่ำๆว่าความดันขึ้น ยิ่งถ้าพูดทำออกไปเนี่ยนะก็สามารถจะเกิดผลเสียตามมาเช่นอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกันแล้วก็เกิดการชกตีกันต่อยตีกันก็บาดเจ็บล้มตายกัน หรือว่าพูดแล้วทำให้เกิดความเจ็บปวดไอ้คนฟังก็เสียใจโกรธแค้นไอ้คนพูดก็เสียใจเหมือนกันว่าพูดอะไรลงไปทำอะไรลงไปให้ความหลงมันเป็นอันตรายนะต่อชีวิตของเรา ไม่เหมือนกับภาวะที่หลับนะหลับนี่มันอาจจะเป็นประโยชน์กับร่างกายเป็นโอกาสให้ร่างกายได้พักฟื้นเป็นโอกายร่างกายได้ได้ผ่อนคลายหรือบางทีก็ช่วยทําให้จิตใจมันนะสัทธ์สางในสิ่งที่เป็นความเครียดความกลัดกลุ้มออกไปอันนี้เขาก็ยังหาคําตอบไม่ได้ใช่ว่าทําไมคนเราต้องหลับ พว่าสัตว์บางชนิดมันก็มันหลับน้อยไม่ค่อยหลับแต่เขารู้ว่าถ้าไม่หลับแล้วนี่การทำงานของร่างกายมันมีปัญหาก็พยายามอธิบายหาำตอบว่าเช่นว่าหลับเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นตัวหลับเพื่อผ่อนคลายความเครียดนะที่เก็บกักสะสมมา แต่ว่ามันก็เรียกว่าพูดง่ายคือมันก็มีประโยชน์ <c oughs> การหลับนี่มีปรโยชกับร่างกายและจิตใจแต่หลงนี่นะมันมีประโยชน์น้อยมีโทษมากแต่คนเราก็มักปล่อยให้ใจมันก็เป็นในความหลงไม่ค่อยที่จะเห็นความสำคัญการทำให้ใจตื่นไม่ใช่ตื่นแต่ตัว ตื่นแต่กายแต่ใจก็ตื่นตื่นก็คือว่าตื่นรู้รู้ตัวทั่วพร้อมนะมีสติรู้ทันสามารถจะดึงจิตออกจากความหลงได้สติเป็นตัวสำคัญนะที่จะดึงจิตออกมาจากความหลงนะออกมาสู่ภาวะรู้ตัวทั่วพร้อม ไอตัวหลงนี่มันมันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่ลจาจงกระทั่งมันครอบงําใจเรามันก็แปลกนะความหลงนะอย่างที่บอกแล้วมันเกิดจากอารมณ์ความโกรธความเศร้าอารมณ์เนี่ยเกิดขึ้นกับคนเราซ้ําแล้วซ้ำเล่า แต่แทนที่จะว่ายน่งมันเกิดขึ้นบ่อยเท่าไหร่เนี่ยคนเราก็ถล่มก็ไปนในความหลงได้ง่ายหรือเสร็จมันได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นมันแปลกนะเวลาเราเวลาเราเจออะไรเนี่ยถ้าเราเจอบ่อยๆเนี่ยเราจะเห็นอะไรสิ่งนั้นชัดเจนขึ้นฝรั่งเวลามาเมืองไทยก็เห็นหน้าตาคนไทยเหมือนกันหมดเลยเมืองกับเราไปเมืองฝรั่งก็เห็นหน้าตาฝรั่งมันคล้ายกัน ต่อไปเจอคนแอฟริกาก็ส่วนคนแอฟริกันหน้าตามันคล้ายกันแต่พอเจอบ่อยๆเจอบ่อยๆเนี่ยเราก็จะแยกแยะได้เว่าหน้าไม่เหมือนกันเลยฝาแฝดที่ดูมองครั้งแรกก็ส่วนมันเหมือนกันเปรียบเลยพอเจอบ่อยๆเจอบ่อยๆเราก็จะแยกแยะได้ว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง แต่ก่อนฝาแฝกก็มาอัมเราว่าเป็นคนเป็นคนน้องไอคนที่มาอัมเราเป็นคนน้องเราก็เชื่อแต่พอเราเจอไปบอ่อยเก็มาอัมเราเราก็รู้วไม่ใช่เราก็รู้ว่าเนี่ยไอนี่คนที่ไม่ใช่คนน้องเนี่ยเรารู้เราเห็นความแตกต่างธรรมชาคิขเราเวลาเจออะไรไบ่อยเราจะฉลาดในสิ่งนั้นลิงเนี่ยมันทีแรกมันมาก่อกวนเรา เราก็ไม่ค่อยรู้ทันมันเท่าไหร่นะแต่พอมาใหม่บ่อยๆเราก็รู้แต่ก่อนนี่มันลงมาจากมันลงมาจากหลังคาแล้วก็เพื่อที่จะมาเอาขนมเอาอาหารที่วางไว้บนบนบ น, บนโต๊ะพอทำแบบสองสองครั้งเราก็รู้แล้ว ก็คอยเฝ้าระวังนะไม่ให้มันมาลงมาจากสารามาเก็บอาหารเราฉลาดขึ้นนะเรารู้ทันมันมากขึ้นเพราะเราเจอมันบ่อยๆแต่ทำไมคนเราเวลาเจอความโกรธบ่อยๆหรือความโกรธเกิดขึ้นกับเราบ่อยๆเราไม่ได้ฉลาดขึ้นเลยนะเราไม่ได้รู้ทันความโกรธได้ไวขึ้นเลย ตรงเงินข้ามนะั้นเรากลับโดนมาเล่นงานบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นคนที่โกรธบ่อยมือพูีบ่อยๆเนี่ยนะจะยิ่งหงุดหงิดง่ายขึ้นจะยิ่งโกรธง่ายขึ้นแล้วคนแก่คนสูงวัยเจอความโกรธมาแล้วไม่รู้เป็นเป็นหมื่นครั้งแล้วมั้งแต่ปรากฏว่ากลับยิ่งโกรธง่ายาสังเกตดู คนแก่หลายคนนี่ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งโกรธง่ายขึ้นยิ่งหงุดหงิดง่ายขึ้นทั้งทั้งที่เจอความโกรธมาบ่อยบ่อยมากนะนับครั้งไม่ท้วนะซึ่งมันมันไม่นด้เป็นอย่างนั้นนะยิ่งเจอบ่อยยิ่งเจอบ่อยแล้วก็ยิ่งฉลาดในการเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นคือแยกแยะได้ถูกรู้ทันมัน ประสบการณ์ความโกรธไม่ได้ช่วยทำให้เรามีความฉลาดในการรับมือความโกรธหรือว่าสามารถจะรู้ทันมันได้ว่องไวเลยอันนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเรายิ่งมันกับว่ามันยิ่งมันยิ่งมันเกิดขึ้นบ่อยๆมันก็ยิ่งรู้ทันเราแล้วก็รู้จุดอ่อนของเรา มันก็เลยสามารถที่จะเล่นงานจิตใจเราได้ได้ดีขึ้นนี่เพราะว่าเราขาดตัวรู้นะถ้าเรามีตัวรู้เนี่ยนะติดกำกับอยู่ด้วยตัวรู้เนี่ยยิ่งเจอความกลัวบ่อยๆแล้วก็จะยิ่งรู้ทันมันแต่ถ้าเราไม่มีตัวรู้หรือตัวสติกำกับยิ่งเจอมันบ่อย มันก็ยิ่งรู้ทันเรามันก็ยิ่งรู้จุดอ่อนของเราถ้านะคนยิ่งแก่ยิ่งอายุมากก็เลยยิ่งฉุนเฉียวง่ายเพราะว่ามันรู้ทันมันรู้จุดอ่อนนะความกลัวรู้จุดอ่อนของ ข, ของเราต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะเอามาพยายามสร้างตัวรู้ให้มากขึ้น ถ้าตัวรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยแม้มันจะอ่อนกําลังแม้จะมันจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่พอมีมันไว้ในใจเนี่ยแล้วความโกรธเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นยิ่งยิ่งเกิดขึ้นมาเท่าไหร่ก็ยิ่งอยู่รู้ทันเราเวลาจเจริญสตินะเวลาเราเดินจงกรมสร้างจังหวะตารมณ์หายใจก็ตามถ้าเรา ถ้ามันมีอารมณ์หรือความคิดเกิดขึ้นแล้วเราหมั่นรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆแต่ก่อนนี่กว่าจะรู้นี่ช้าคิดไปหลายเรื่องมาถึงค่อยรู้หรือว่าโมโหไปแล้วด่าไปแล้วถึงค่อยรู้รโโรตัวแต่ถ้าเราทำบ่อยๆทำบ่อยๆนะต่อไป พอมันคิดจะดา่าก็รู้ทันแล้วไม่เผลอด่าไปทำบ่อยๆทำบ่อยๆเพียงแค่มันหงุดหงิดและมีความไม่พอใจยังไม่ทันจะลุกลามเป็นความโกรธเราก็รู้ทันแล้วคือเราจะรู้ทันไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้น แล้วต่อไปมันก็จะเข้ามาข้อมงำจิตใจเราไม่ได้ถ้าเรามีสติมีความมีความรู้สึกตัวเนี่ยไอการเกิดอารมณ์แต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เรารู้ทันมันได้ไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นเวลาเจริญสตินะฟุ้งซ่านแล้วรู้อะรู้ว่าฟุ้งอะอันนี้ดี ดีกว่าสงบปราบปลืม้มดีใจแต่ไม่รู้ตัวนะเพราะว่ามันกลายเป็นแบบฝึกหัดให้กับใจเราเพื่อที่จะมีสติรู้ทันนะในความฟุ้งซ่านหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเราพยายามที่จะมีสติมีความรู้สึกตัวเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยมันก็เป็นแบบฝึกหัด ให้เรารู้ทันมันได้ไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นเหนะมือนับเราเขียนหนังสือทีแรกกอไก่กอไข่ก็ไม่เป็นตัวแต่ราเขียนบ่อยเขียนบ่อยเขียนบ่อยมันก็เป็นตัวสวยงามมากขึ้นยิ่งทำํำบ่อยๆจะยิ่งทําได้ดีขึ้นดีขึ้นอันต่อไปเราก็จะรู้ทันมันรู้ทันก็ไม่ไปหลงเชื่อมันแล้ว แล้วเราก็เห็นจุดอ่อนมันมากขึ้นนะจุดอ่อนของอารมณ์ของความคิดแต่ก่อนมันเห็นจุดอ่อนของเรามันมาบ่อยๆมาใหม่บ่อยมันเห็นจุดอ่อนของเราแต่พอเราเริ่มเรียมีสติมีความรู้ตัวพอมันเกิดขึ้นบ่อยๆเกิดขึ้นบ่อยเราก็กลับเห็นจุดอ่อนของมันรู้ว่ามันก็ไม่เที่ยงนะมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน แค่เห็นไม่เข้าไปเป็นเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้อันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของมันนะเข้าไปเป็นเมื่อไหร่เราก็เสร็จมันเมื่อนั้นแต่พอเราเห็นมันอนะไม่เข้าไปเป็นนะมัน ก, ก็ค่อยๆเหี่ยวแห้งตายไปถ้าเป็นกองไฟก็กค่อยๆมอดดับไปจุดอ่อนของมันก็คือไม่เข้าไปเป็นนะออกมาเห็นซะอารมณ์ทั้งหลายมีจุดอ่อนตรงนี้แหลนะ คือเมื่อเราแค่เห็นมันรู้ทันมันไม่เข้าไปเป็นมันก็อยู่ไม่ได้และการมาการไปของมันแต่ละครั้งก็กลับเป็นประโยชน์กับเราถ้าแม้เราได้เห็นเห็นความจริงที่ราไต่ลักกลายนว่ามีประโยชน์ได้ประโยชน์จากมันแต่ก่อนนี่เราเสียท่ามันทุกครั้ง แล้วก็โดนมาเล่นงานจนหมดเนื้อหมดตัวแต่ตอนหลังนี่นะเรารู้ทันมันเป็นจุดอ่อนของมันแล้วก็ได้ประโยชน์จากมันด้วยวก็คือได้เลยรู้นะสัจธรรมเรื่องไตรักนะอันนี้เพราะว่าเรามีความรู้ตัวเรามีสติยิ่งมันเกิด บ, บ่อยๆเราก็ยิ่งฉลาดในการเกี่ยวข้องกับมัน ถ้าเราไม่รู้ตัวถ้าเราไม่มีสตินะมันก็จะตรงกันข้ามมันมาแต่ละครั้งมันก็เห็นจุดอ่อนเราชัดเจนขึ้นแล้วก็เล่นงานเราได้ถนัดขึ้นแล้วเราก็เสียท่ากับมันได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นคนที่เศร้าก็จะเศร้าบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนกระทั่งเป็นซึมเศร้าไป คนที่มองอะไรลบนี่ก็จะมองอะไรลบติดลบง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นจนรกระทั่งลกลายเป็นผู้ฉุนเฉียวก้าวร้าวหรือซึมเศร้าคนซึมเศร้านี้เกิดจากการที่มองอะไรเป็นลบอยู่บ่อยๆมันก็เกิดแต่ภาวะที่ทําให้เศร้าซึมจิตตกมันคิดแต่มันมองแต่มุมนั้นอละเนื่องเพราโดนมันเล่นงานมันรู้จุดอ่อนของเรา นั่ยต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนแทนที่มันจะเห็นจุดอ่านของเราเราต้องกลับมาเห็นจุดอ่านของมันแทนที่เราจะเสียท่ามันเรากลับมันกลับเสียท่าเราต้องกลับกันะกลับกันด้วยสายความรู้ความรู้ตัวนะอาศัยการที่มีสติ บ, บ่อยๆจนกระทั่งเชี่ยวชาญ ช, นานชาญํานาญชาดีพเกกัที่นี้นะกลับนะ